รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ผ่านไปไวแต่การปฏิบัติธรรมเราจะผ่านไปในรวดเร็วและก็ทันใจอย่างที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่าบางคนก็อยากให้ไวบางคนก็ไม่อยากให้ไวบางทีก็เราคิดว่าการได้มากได้ผลได้ไดีพันมันจะไม่จืดมันจะไม่มีชีวิตชีวามันจะจืดมันจะไม่ มีรสชาติอถ้าเป็นผู้หญิงก็จะทิ้งบ้านทิ้งเรือนถ้าเป็นผู้ชายก็ทิ้งคร อ, อบครัวเข้าไปบวชเข้าป่าไปเลย <c oughs> คิดเอาอย่างนั้นดังนั้นการปฏิบัติธรรมก็จะคิดเอามากก็ไม่ดีหรือจะไม่คิดเลยก็ไม่ใช่การปฏิบัติอย่างเนี้ยนยกมือเคลื่อนไหวมันก็คิดบ้างไม่คิดบ้าง รู้บ้างไม่รู้บ้างมันก็ขยันบ้างขี้เกียจบ้างมันก็สงสัยลังเลบ้างมันก็จะเอาบ้างจะทิ้งบ้างาตามโอกาสตามสิ่งแวดล้อมมันจะเป็นไปใ น, นการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแบบสร้างจังหวะแบบทําความรู้สึกตัว อันนี้ก็ให้เราทำไปเรื่อยๆจะเรื่องอะไรจะเกิดอะไรจะเป็นอะไรจะมีอะไรจะเห็นอะไรจะสัมผัสอย่างไรก็ให้มันเป็นปัจจุบันแรกๆเราก็เข้าใจเรื่องรูปนามรูปคือร่างกายนามคือจิตใจจะเป็นคำพูดแต่การสัมผัสมันอจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้ ร่างกายทั้งหมดที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นก้อนเป็นดุ้นอยู่เนี่ยตาหูจมูกเลี้ยงกายแข้งขามือเท้าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมควรเล็กฟันเอากล้องมาถ่ายรูปจับภาพก็ได้มันเป็นรูปเป็นรูปเป็นร่างเป็นลักษณะเป็นท่าทีของมันแล้วนามคือความคิดความรู้สึกน่ะเอากล้องมาจับภาพได้ไหมไม่ได้ไม่มีตัวไม่มีตน เป็นแต่เพียงความรู้สึกเป็นแต่เพียงพลังงานอยู่เท่านั้นเองให้เคลื่อนไหวได้ให้ไปให้มาให้ฟูดให้จาให้คิดให้นึกมันเปลี่ยนไปนตามเหตุแลปะปัจจัยของมันน้มนี่ไม่มีตั ว, ม, ตวมีตนแต่ว่าสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนมือรู้สึกเนี่ยความรู้สึกนั่นน่ะภาษานักปฏิบัติภาษาพราว่านา นาก็มีนี่ของมันคิดนึกสัมผัสเย็นล้อนอ่อนแข็งคิดไปนั่นคิดไปนี่ไอความคิดมันก็แบ่งแยกเป็นสองภาคและนะถ้ามันคิดไปเรื่องวัตถุมันก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาถ้าคิดเรื่องธรรมะธรรมโมก็ไม่เป็นรูปเป็นร่างนะความคิดเป็นสองภาคภาคหนึ่งก็เป็น รูปเป็นล่างอีพากหนึ่งไม่เป็นรูปเป็นล่างเลยเป็นความรู้สึกลื่นลื่นไปเลยเราคิดถึงบ้านถึงลูกถึงหลานเราบ้านก็เป็นรูปเป็นล่างคิดถึงลูกถึงหลานลูกหลานก็เป็นรูปเป็นล่างแล้วคิดถึงนิมิตอย่างเนี้ยนั้นสมาธินั่งเพ่งกับสินเพ่งนิมิตมันก็เป็นรูปล่างขึ้นมาจนเป็นรูปติดหูติดตา อย่างคนกลัวผีไปงานศพไปเจองานศพหรือไปดูคนตายของอบัติเหตุเพศ่ภัยก็เห็นรูปร่างเห็นลักษณะเห็นอาการที่ปรากฏที่น่าเกลียดน่ากลัวน่าขยาดขยงแล้วก็ติดตาติดใจมาเมื่อคิดทีไรมันก็เห็นภาพเป็นรูปเป็นร่างเป็นมโนภาพเกิดขึ้นในทางใจนั่นเลยเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่การปฏิบัติของเราก็กําหนดกายนี่แหละกําหนดรูปที่เป็นตัวตนอยู่นี่แหละรูปร่างยกขึ้นก็เป็นรูปเห็นเอากล้องมาถ่ายภาพแชกเข้าไปเอา้าวโอ้รูปหลวงพ่อยกมือเห็นไหมเอารถกลัลมาอีกถ่ายแชกอีกอก็เป็นไปตามที่อชัตเตอร์หรือที่ความไหวแสงมันจะเก็บภาพไปจิตของเราก็เหมือนกันเวลาเราเดินเดิน แต่ละจังหวะแต่ละช่วงเคิื่นจงกรมยกมือขึ้นเหยียงซ้ายเหยียงขวาก้มเงยมันก็เป็นท่าเป็นท่าเป็นท่าเป็นจังหวะจังหวะของมันอยู่เป็นรูปแต่ละรูปมันก็เราเห็นภาพในในในจอในในครีมนั่นแหละเมื่อเห็นรูปเห็นล่างแล้วเป็นยังไงก็เห็นการเคลื่อนไหว รูปทำอะไรบ้างน้ำเป็นยังไงบ้างรูปเดินยืนนั่งนอนนามคือความรู้สึกคิดนึกที่กำหนดกำหนดอยู่เดินไปก็รู้นั่งอยู่ก็รู้นอนอยู่ก็รู้แต่ว่ารูปทำนามทำรูปก็ทำน้มก็ทำมันทำได้กันไปมันร่วมกระบวนการ แต่บางทีเรายกมือไปยกมือมามันน้มไม่ทำด้วยยกมือไปก็ลืมไปนามมันไม่อยู่ด้วยมันหายไปไหนไม่รู้มันก็หยุดมันขาดช่วงแต่บางทีจิตของเรามันทำหน้าที่ดีแต่กายมันยกไม่ขึ้นมันอ่อนไปแล้วมันเหนื่อยหน่ายแล้วแขนก็ยกไม่ขึ้นแต่ใจมันจะเอาอยู่ใจจะสู้อยู่ใจจะให้ยกอยู่แต่มันไม่ยกมันเหนื่อย ลักษณะของมันก็ถ้ามันไม่พร้อมกันถ้ามันไม่ช่วยกันมันก็ไม่สําเร็จรูปรูปธรรมนามธรรมดังนั้นธรรมะไม่ใช่อื่นไกลหลายคนอาจจะคิดว่าธรรมะอยู่ในพระไตรปิฎกธรรมะเป็นหมวดหมู่นั้นเป็นคําพูดเป็นคําพูดเป็นสมมติบัญญัติสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวนี่หมวดธรรมะ อยู่ที่ไหนล่ะตรงนี้อยู่ในหนังสื อ, น, อนั่นเหรอเนี่ยนั่นเป็นชื่อของมันแต่ตัวจริงของมันอยู่ที่ไหนสติสัมปชัญญะอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่คนละบันยกมือขึ้นรู้สึกในสัมปชัญญะเลยรู้ตัวว่ายกเข้ายกออกสติคือความระลึกรู้ แล้วรู้สึกก็ควบกันไปนั่นแ่ะมือนกับหน้ามือล้างมือเนี่ยมันแยกกันไม่ได้มันอยู่ด้วยกันนะมันอยู่ด้วยกันติดกันไปจิตอสัมปชัญญะกับสติก็เหมือนกันไปด้วยกันเรื่อว่าเจริญสติสัมปชัญญะทําความรู้สึกตัวอย่างเนี่ย ไม่เห็นอย่างนี้ก็เป็นบุญแล้วอ๋อบุญเน่บุญที่มารู้สึกบุญที่มารู้มาเห็นบุญบุญบุญบุญคนมีสติคนมีสัมปชัญญะก็มีธรรมะนั่นเองนะนะมีธรรมะทำมีอุปการะมากเลยเมื่อมีทำสองอย่างนี้ก็มีอุปการะต่อการงานต่อการกระทําต่อสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่มีอุปการะมากเหมือนกับพ่อแม่ หือพี่เลี้ยงนางนมคอยดูแลเด็กทาลบคอยประคบประงงสติสัมปชัญญะก็คอยประคบ ป, ป, ประงงจิตให้เจริญเติบโตให้แก่กล้าให้มีความสามารถคล่องตัวว่องไวมีพลังสูงดังนั้นการปฏิบัติธรรมนี้ก็ไม่ใช่อื่นไกลหรอกล้วก็ทำไปอย่างนี้แหละให้รู้จัก ตัวเองให้เข้าใจธรรมะธรรมะคือสภาวะที่เป็นอยู่มีอยู่นี่แหละธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็เป็นหมวดหมดูหม ast, ม่แห่งธาตุธาตุธรรมธรรมธาตุที่เป็นคุณธรรมสิ่งที่เกิดกับจิตกับใจเป็นคุณธรรมเป็นสภาวะธรรมล้วนๆในนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนิดนึงที่เราเรียกรูปน้ำขันห้านั่น เป็นสิ่งที่มีสภาวะชรงทัวของมันอยู่ที่มีอยู่ทุกคนแต่ส่วนสภาวะธรรมคุณธรรมนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งจะมีมากเมีนะ้อจะต่างกันตรงนั้นแหละนะพุทุชนกับพระอริยเจ้ากับพระละหันแคตาการจะต่างกันตรงนั้นพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าก็มีการหิวการร้อนการหายเหนื่อยมีการปวด จะละปัษ ส, สาวะเหมือนกันมีการถ่ายเทโดยธาตุสี่ขันห้าแล้วเหมือนกันเลยแต่ส่วนคุณธรรมนั้นจะต่างกันดังนั้นพวกเราปฏิบัติธรรมก็ทำไปเรื่อยผู้ใหม่ผู้เก่าก็ทำมา น, นี่แหละอ่านใจตัวเองศึกษาเรียนรู้ตัวเองอนั่งอยู่กับพิษตาอยู่นี่คนที่เห็นกายเห็นใจใหม่ๆก็มันจะกระตือหรือล้นนะ เห็นไปเหมือนกับเราเป็นเด็กได้ของเล่นใหม่ๆนี่แหละสนุกเล่นไปเรื่อย <c oughs> เห็นลูกเห็นนามก็เห็นเป็นลูกเป็นนามเห็นไปเรื่อยๆนั่นก็ลูกนี่ก็นามเนี่เกี่ยวข้องกันไปหมดสัมพันธ์กันไปหมดเลยยาวพิสดาร เห็นรูปทำนำทำก็เห็นไปเหมือนกับเราอ่านออกไห่นะอ่านหนังสือออกเขียนหนังสือเป็นเห็นบาปเห็นบุญเห็นความผิดความถูกเห็นความจริงความปลอมความหลอกความลวงเห็นความสมมุติเห็นความหลุดพ้นสมมุติกับวิ ม, มุติมันตรงกันข้ามเหมือนกับความสงสัยมันคล้องอยูนะ่เมื่อรู้จริงมันก็หายสงสัย มันก็หลับตามันก็ไม่เห็นเมื่อลืมตาก็เห็นอย่างเงี้ยหลับตาไม่เห็นลืมตาเห็นจริงๆหลับตาก็เห็นนะแต่ไม่ใช่เห็นวัตถุภายนอกหลับตาก็ยังเห็นสีเห็นแสงอยู่เยอะเลยตามันคู่กับแสงกับเสียงตามันคู่กับแสงสีเขียวสีดำสีเหลืองสีแดงสีชมพูสีขาว เพราะแสงมันเข้าตาแต่ถ้าในถ้ำจริงๆมืดเนี่ยสีเดียวหมดเลยแต่ถ้าอยู่ในสีข้างนอกของเข้าตาเรามันก็เลยเป็นสีเขียวสีแดงสีส้มสีชมพูสีดำและก็ว่ากันไปเยอะแยะเลยดังนั้นการปฏิบัติธรรมนี่ก็เริ่มที่ตัวสติใครมีสติใครกาหนดสติได้คนนั้นก็ทำได้ง่าย จับหลักได้นยจับสติไม่ได้คุมสติไม่อยู่ก็ทำหลุดหน้าหลุดหลังนะครับจับผัสจับผูจับผิดจับถูกก็ไปเรื่อยๆนั่นการปฏิบัติธรรมก็เอาอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้แหละเป็นยัางไงาเอาอย่างไงก็เป็นก็เป็นสติสตัง ทำการทำงานก็ทำไปเอาอย่างสร้างจ่างหวะนี่แหละถ้าชอบใจถ้าไม่ชอบใจก็ไม่เอาแล้วเว้ยอย่างนี้ถ้าชอบใจก็ลองดูเอาดูถ้าเราพิสูจน์ปฏิบัติลงไปจริงๆมันก็ต้องเห็นของจริงพิสูจน์ตัวเองว่ามีรูปนามไหมมีเอาเ อ, าเอาธรรมะก็เป็น รูปธรรมนามธรรมเราก็มีเหมือนกันเนี่ยอ้าว oh. <c oughs> สติละ่ะเรามีไหมกําหนดดูวที่สติมีไหมมีโอ้สติคือความระลึกมันคิดแวบขึ้นมาจะยกมือแล้วความคิดนความคิดตัว น, นั้นเรียกว่าสติมันแล่นแวบขึ้นมาจะยกค่อยยกแรงยกสูงยกต่ําอีะ่ะสติตอนนั้นสัมปชัญญะก็ควบคุมเอาแค่นี้แหละนะแค่นี้แหละเข้าออกเลย นี่นล้นนะเมันก็อยู่พอประมาณเนี่ยสติสัมปชัญญะแล้ยว่าคุณธรรมธรรมที่มีคุณมีอุปการะเนี่ยอธรรมะทําไมมันมีอยู่อย่างนแค่นี้เหรือธรรมะหลวงพ่อก็มีอย่างนี้ธรรมะมันอยู่ที่ไห น, นก็อยู่ที่การกระทําอยู่ที่ความรู้สึกมันก็อยู่แค่นี้งั้นตัวนี้เราเป็นตัวเริ่มต้น ความสงสัยของใจเป็นเรื่องทุกคนต้องมีแต่เป็นทางผ่านเมื่อมีแล้วก็ผ่านไปบางทีฟังท่านก็เข้าใจบางทีก็หายไปบางทีคิดขึ้นมาอีกนนีมัสงสัยว่าอตายเราไปไหนเนาะแต่เรได้เกิดหรือไม่เนาะเนี่ยบางทีมันคิดไปเกิดไม่เกิดก็ะชั้นวันเทอะยังไม่ตายตอนนี้มันก็ผ่านไปอีกล่ะไม่ต้องไปสนใจมันละ ความคิดอันหนึ่งที่มันแบ่งเข้ามาที่จิตสํานึกจิตที่เป็นสมาธิธมันก็ผ่านไปเฮียบุญบุญเป็นตัวยังไงบุญบุญอยู่ที่ไหนบุญเบางทีมันคิดถามตัวเองขึ้นมาสํานึกขึ้นมาสําเนียกขึ้นมาบางที party, ไปถามพระถามเจ้าบางที่การทำลาเจอบุญคือความสุขบุญคือความดี ถ้ามีความสุขถ้ามีความดีจริงๆก็มีบุญบาปคือความทุกข์บาปคือความเดือดร้อนบาปคือความช่วยอย่างนี้เออคก็อย่างนี้ถ้าจะไปหาจากใครระบาดเนีน้่ยทําดีเมื่อไหร่ก็ดีเมื่อ น, นั้นคิดเรื่องดีก็สนุกคิดเรื่องดีก็ยิ้มอยู่คนเดียวนะี่ก็เป็นบุญถ้าคิดเรื่องทุกข์ก็ร้องไห้อยู่คนเดียวก็เป็นบาปอยู่คนเดียวนะี่ยังไม่ทําอะไรนะเป็นแต่คิดเท่านั้นแหละ ร้องไห้เล้าหงอยคิดถึงพ่อตายแม่ตายลูกหลานตายก็เป็นบาปเหมือนกันนะ่ะทำไมเป็นบาปล่ะก <c oughs> ็บรรทุกนี่ไอ้พวกนี้แ่ะแต่คิดถึงพ่อตายแล้วยิ้มอยู่คนเดียวเป็นบุญไหมก็ดีนี่กูก็จะตายเหมือนกันเหรอวุ้ยมือใครรอดพ้นความตายไปได้เนี่ยมันก็เกิดปุลเกิดกุศลขึ้น น, <c oughs> นั่นอาการปฏิบัติธรรมมันจะรู้ของมันเองอยู่แต่ที่มีพระมีครูบาอาจารย์มี หลวงพอ่อมีผู้ชี้นำมันดีแล้วเราเดินทางมีหลายคนช่วยกันไปลงทางที่ไหนก็เกลียกกันบ้างกู่ร้องกันบ้างสงสัยอะไรก็ถามกันบ้างนีนต้นอะไรหลวงพอ่อต้นไม้ใหญ่เนี่ยถ้าเข้าป่านะถ้าไปเจอเสือก็เอ๊ะตัวอะไรนั่นก็จะถามกันว่าตัวเสือตัวอะไรอยู่ใกล้ๆวนะันนั้นนั่นเดี๋ยวมันกินเรากันเราจะได้บอกกันอันตัวงูนั่นอ่ะตัวเลี้งข้างบางชนิดนั่นจะได้ คุยกันไปได้รู้จักกันไปถ้าไปคนเดียวรู้สึกบางทีมันอันตรายบางทีหลงทางก็หลงไปเลยเสือกินไปเลยอย่างเนี้ยถ้าไปหลายคนเสือมก็กลัวเมกันนั่นแหะปฏิบัติธรรมท่งนจะว่ามีกัญญาณมิตรมีเพื่อนมีสหายมีเพื่อน ด, ดวนดวนเดนิดนทางก็สนุกดี อันละพรโชคดีแล้วลราเกิดเป็นค น, นเกิดเป็นคนโชคดีถ้าเกิดเป็นสัตว์ในกระชานก็โชคร้ยายหน่อยแต่หลายคนอยากจะเกิดอีกแต่หลายคนไม่อยากจะเกิดอีก<ม>เบื่อแล้วพอแล้วนคิดอย่างนั้นแเราจะได้อย่างความคิดเราไหมในตรงนี้ละ่ะทํายังไงถึงจะไม่เกิดอีกทํายังไงถึงจะได้เกิดอีกสองคนนี่ มันที่คิว่าเกิดดีอยากจะเกิดดีก็ทำความดีทำบุญทำทานทำกุศลไม่หมากมากถ้าเกิดก็จะได้เกิดดีๆอย่างนั้นไอคนที่ไม่เกิดไม่อยากจะเกิดก็ทำให้ดีที่สุดเังเอิญอะไรที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่ควรจะมีไม่ควร จ, จะเป็นกับท่ามันหมดมันสิ้นเลยเนี่ยจะไม่ต้องมาเกิ ด, ดอีกแล้วเบื่อแล้วก็ทำเหตุสองอย่างผู้อยากเกิดก็ทำเหตุให้มันเกิดผู้ไม่อยากเกิดก็ทำเหตุให้มันหมดเนี่ย เป็นอย่างนั้นนย่านั้นเป็นยอดบุญยอดอกุศลการปฏิบัติธรรมถ้าถึงขั้นว่าปฏิบัติแล้วมันเข้าใจเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องความผิดความถูกนี่มันเป็นเป็นบุญเยอะแล้วล่ะเป็นบุญมากแล้วอืแล้วก็ไม่ตกนรกก็ได้คนรู้จักบุญแล้ว นอกจากทางไปจากบุญจากบาปแล้วมันก็ไม่ต้องตกนรกแล้วนู้จากไฟก็ไม่เล่นไฟให้มันไหมหัวแล้วรู้จักไฟฟ้าที่มันเป็นอันตรายก็ระวังมันมันก็ไฟก็ไม่ช็อตไม่ดูดคนรู้จักบาปก็ไม่ไปเล่นกับบาปไม่ไปใกล้กับบาปบาปก็เลยไม่เผาลนไม่ต้องเดือดร้อนเพราะบาปแล้ว เข้าใจอย่างนี้ก็เข้าใจเรื่องสมมติสมมติสมมติบัญญาต์ปรามันบัญญาตัฐาบัญญาตัเยาบัญญาต์มนการปฏิบัติธรรมก็เป็นขั้นเป็นตอนเป็นจังหวะจากโคนมันอยู่แล้วก็มีอารมณ์แต่ถ้าไม่ได้อารมณ์อย่างนี้จะทำยังไง <laughs> ทำไปเรื่อยๆมัต้องได้แน่นอนนะอารมณ์มันต้องมีต้องคิดขึ้นมาละ่ะไม่วันใดก็วันหนึ่งมันต้องมีเรื่องใดก็เรื่องหนึ่งไม่ช่วงในก็ช่วงหนึ่งมันคิดขึ้นมาถ้าไม่คิดแล้วก็แล้วไปอย่าไปสร้างเรื่องถ้ามันคิดขึ้นมาก็ถ้ามันเข้าใจก็ดอีอันนี้เป็นบุญเนี่ ย, ยกมือเคลื่อนไหวรู้สึกดีเนี่ยเป็นบุญเนี่ยเนี่ยเอาบุญก็บุญเนี่ยมันก็จบไปผ่านไปมันก็จบของมันเองแ่้นะ คิดเรื่องใหม่อีกละถ้าไม่คิดก็รู้สึกกันนี่แหละรู้สึกเนี่ยยกขึ้นยกลงแต่จริงๆแล้วมันคิดอยู่นะน้ํานิ่งมันไหลลึกไหลยอยู่ก้นบึง้งว่ะนะไหลลึกปื๊ดปืดปปืดอยนั่นแหละก็พูดไปพูดมาก็ย้ําอยู่ที่เก่านี่ะนะไม่ได้ไปไหนแหละก็จบไปที่นี่ก่อนเนาะ พูดมากก็มากความพูดน้อยก็น้อยความไม่พูดเลยก็ไม่ได้ความมีข้อข้องใจสงสัยส่วนตัวส่วนรวมก็ถามได้ส่วนตัวก็ถามได้อถ้าไม่ถามก็ไม่เป็นไรเอาใกรจะถามอะไรบ้างไหมนั่นชี้ อ, อ่านข้างมาถามนะ ทําคนอื่นเวลาทําอาตมานี่จะไปทําโยม菩萨ไม่เกี่ยวกันหรอกนั่นแหละให้เข้าใจเรื่องรูปนามนี่แหละนะรูปคือย่างนี้นะรูปรูปอันนี้รูปเหมือนกันรูปไปรูปมารูปแข้งรูปขารูปแขนก็เป็นรูปเหมือนกันนะอแต่รูปรวมๆนี่คือรูปทั้งหมดเนี่ยเป็นรูปครั แล้วก็ไม่เข้าใจเลยนะชี้บอกให้ก็ไม่รู้เรื่องถ้ามันไม่ปฏิบัติได้สัมผัสเลยแต่ถ้ามันสัมผัสแล้วบอกไม่ให้รู้มันก็รู้อย่าไปรู้เลยอย่างนั้นไม่ดีหรอกอย่าไปรู้ลู ร, ร, รู้น้ำเลยก็บอกไม่ได้ห้ามไม่ได้อืมพูดมาก็เกือบสามสิบนาทีก็สมควญคิดเวลาทำตัวเองไปเรื่อยๆทําคนเปลี่ยนทำหลวงพ่อทีหลวงพ่อก็โกงหกเหมือนกันนะ หลอกมันแค่หน่อยโยมเนี่ยหลอกก็หลงทิศหลงทางก็เสื่อแค่หน่อยเว้ยเนี่ยเป็นอย่างนั้นก็มีสมควรเก็วเวลาก็ยุติไว้ที่เพียงเท่านี้